สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับเรามาอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตพระเยซูแล้วครับพี่น้องเพราะจะนัของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะรวบรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระเยซูได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพราะเหตุที่ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่พระบิดาได้ส่งลงมาในโลกนี้ เพื่อให้ทุกคนที่วางใจในพระองค์นั้นจะไม่พินาศและมีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับคำว่าพินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั้นเป็นคำที่ห่างกันมากนะครับแต่อยู่ในข้อเดียวกันอยู่ใกล้กันเพราะอะไรครับคำว่าพินาศนั้นหมายถึงความตายนิรันดร์ฝ่ายวิญญาณแต่คำว่าชีวิตนิรันดร์นั้นก็คือการที่มีชีวิตอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ตลอดไปนิรันดรเหมือนกันในหลายๆตำราเริ่มต้นนับโฮลีวีคหรือสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่วันอาทิตย์ทางตาวนหรือเรียกว่าวันปามสันเดย์บางตำลาก็เริ่มนับตั้งแต่วันจันทร์นะครับพี่น้องครับผมจะทบทวนเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ทบทวนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันปามสันเดย์หรือเป็นวันอาทิตย์ทางตาล เป็นการฉลองที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้ชนะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่พระเยซูจะถูกตึงบนไม้กางเขนพี่น้องครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมพระเยซูและเหล่าสาวะกกาลังมุ่งหน้าไปสู่เยรูซาเล็มเพื่อฉลองปัสกาครับปัสกานั้นก็จะอยู่ในช่วงวันพระหักและไม่มีเทศกาลใดของยิวนั้นสําคัญเท่ากับการฉลองปัสกาําลึกถึง เวลาที่อิสราเอลเป็นทาสอยู่ที่อียิปต์และพระเจ้าได้ให้อิสราเอลภายใต้การนำของโมเสยนั้นอพยพออกจากอียิปต์หลังจากที่ต้องอยู่ในอียิปต์นั้นมากว่าสี่ร้อยปีการที่พระเยซูทรงราก็มีความหมายของการที่พระเยซูจะเสด็จมาเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์นะครับแต่เป็นกษัตริย์ที่อยู่ในความสันติเป็นกษัตริย์ที่ อันทีภาพและลานั้นก็เป็นพานะของผู้ที่เป็นผู้พิพากษานะครับผู้พิพากษาไม่ใช่นักรบไม่ใช่การทําสงครามในขณ ะ, ะเดียวกันครับฝูงชนที่โหร้องโหสนาโหสนามีความหมายว่าโปรดทรงช่วยให้รอดหนบัดนี้แปลว่า save us นะครับ please save us เพลีย์เพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของโหสนาแต่ว่าบุคคลที่ร้องว่าโฮสนาโหสนามีอีกไม่กี่วันพวกเขาจะเปลี่ยนเสียงร้องโหสนากลายเป็นตึงพระเยซูเสียที่กังเขนตรึงกางเขนเสียพี่น้องครับคืนวันอาทิตย์มาร์โกวันทึกว่าพระเยซู เหล่าสาวกออกจากพระวิหารไปยังหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นบ้านของลาสลัสมารีและมาธาหลังจากวันแห่งชัยชนะก็คือวันที่ลาสลัสฟื้นหรือเป็นเคมความตายนั้นชาวหมู่บ้านเบธานีนั้นก็ต้อนรับพระเยซูอย่างออเอืกอเกล็กทั้ท ง, ทงเมืองคนทั้งเมืองรู้นะครับว่าพระเยซูเป็น the son of God ก็คือเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งมา และวันต่อมาครับเป็นวันจันทร์เียงครับพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์เะเยซูกับเหล่าสาวกทั้งสิบสองคนออกจากหมู่บ้านเบธนีกลับมาที่เยรูซาเล็มและเข้ามาในบริเวณพระวิหารเราจะรู้ว่าในสัปดาห์สุดท้ายหรือสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้จุดมุ่งเน้นหรือโฟกัสการทำภารกิจของระเยซูนั่นคือการสั่งสอนการเตือนสติ ในขณะเดียวกันก็โปรงก็พูดอย่างรุนแรงตำหนิพวกฟอริสีในจากคําสอนนี้เองทําให้เรารู้ว่าอีกไม่นานพระเยซูก็ได้พยากรณ์ว่าอีกไม่นานนั้นกรุงเยอเซนนั้นจะตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูและถูกทํำลายลงในที่สุดเพราะว่าพระเยซูได้กล่าวว่าไม่มีหินสักก้อนเดียวนะครับที่ไม่ถูกยกออกก็คือไม่ถูกทํำลายนั่นเองเรามาดูกันนะครับว่า วันจันนี้พระเยซูทำอะไรบ้างลูกามัทธิวมาระโกนั้นก็บันทึกว่าพระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนที่มาค้าขายในพระวิหารพระเยซูก็คว่ำโตขับไล่พวกเขาออกจากพระวิหารซึ่งผมได้แบ่งปันให้กับพี่น้องไปแล้วในพระธรรมยอห์นบทที่สองข้อสิบสามบันทึกว่าพระเยซูทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกิจตรงตัดสั่งไม่ให้ใช้พระวิหารเป็นที่สําหรับซื้อขายหรือรับแปลกเปลี่ยนเงินตาตรงนั้นนะครับก็เป็นชําระ พวิหารครั้งแรกเกือบสามปีต่อมาพระองค์ก็กลับมาพบพ่อค้ากลับมาอยู่ในพวิหารขายสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชารับแลกเงินเหมือนกันกระทึกขึ้นโคมเดินรัดพวิหารคืออาศัยพวิหารเป็นที่ทํามาหากินนะครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าคนที่รับผิดชอบก็คือพวกปุโรหิตนั่นแหละครับขยฟ ف สมหาปุโรหิตนั้น เป็นผู้ที่อนุ ญ, ญาตให้มีการซื้อขายและรับแลกเงินในพวิหารเบียสุโกรธมากการกระทาของพระองค์นั้นไปขัดนะครับไปขัดผลประโยชน์ของพวกปุโรหิตโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งขายาควัสซึ่งเป็นมหาปุโรหิตทำให้พวกเขาไม่พอใจอย่างมากพี่น้องครับการขัดผลประโยชน์นะครับการที่ผลประโยชน์ไม่ลงตัวทำให้เพื่อนทาให้ยากทําให้พี่น้อง พะเลาะ ก, กันได้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์และในประสบการณ์ของพวกเราเราก็เห็นชัดเจนมากมายมรารโกบันทึกว่าพวกมหาปุโรหิตและธรรมาจารหาช่องทางประหารพระองค์เสียเพราะเขากลัวพระองค์และเขาก็กลัวว่าผู้คนนั้นจะลุกฮือขึ้นมาเพื่อที่จะกำจัดพวกเขาแทนลูกาบันทึกว่าพวกหัวหน้าในพระวิหารต้องการกำจัดพระองค์เนื่องจากประชาชนชอบฟังพระองค์ ผู้นำศาสนาล้วนต่างอิจฉาพระเยซูเพราะพระองค์ได้รับความนิยมชมชอบมากมัทธิวบันทึกว่าผู้นำศาสนาอิจฉาครับที่แม้แต่เด็กๆในพวิหารก็รวมตัวกันร้องเพลงสรรเสริญพระเยซูในมัทธิวบทที่ยี่สิบเอ็ดพูดกันว่าท่านไม่ได้ยินคาที่เขาร้องหรือเพียงครับเรื่องต่างเหล่านี้เป็นเรื่องทบทวนนะครับผมได้แบ่งปันกับพี่น้องไปแล้ว แต่บทเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของความอิจฉาลิษยาครับเป็นเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ยทำผิดบาปทำชั่วถึงขนาดฆ่าคนอื่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาอิจฉาพระเยซูเขาคิดร้ายต่อพระเยซูในที่สุดพระเยซูต้องรับความทุกข์ทรมานบนไม้กางเขนแต่ความซับซ้อนของพระคุณ และแผนการของพระเจ้าอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องไม่มีใครรู้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้มันสาตานก็ไม่รู้มันสาตานก็คิดว่าถ้ามันจะเอาชีวิตพระเยซูไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดแสดงว่ามันได้รับชัยชนะแสดงว่ามันได้รับชัยชนะพี่น้องครับนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระวัง และเราจะต้องสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับแผนการลึกลับซับซ้อนของพระองค์นั้นทำให้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรามารสาตานมันก็ไม่สามารถที่จะทำลายชีวิตของเราได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตในการเดลการมารสาตานก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรหรือทำการล่อลวงได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตเพนั้นครับอยากจะเป็นกำลังใจว่าหากพระเจ้าอนุญาต ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เกิดผลดีแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเราเองนั้นจะเป็นคนที่เสียหายพี่น้องครับยอหนบันทึกว่าในวันนั้นขณะที่พระเยซูยังอยู่ในพระวิหารมีชาวต่างชาติบางคนซึ่งมาร่วมพิธีบัสตาที่เยรูเซเล็มมหาฟิลิปสาวกองค์หนึ่งของสาวกคนหนึ่งของพระเยซูแล้วก็ถามว่าท่านเจ้าค่ะพวกข้าพเจ้าใครอยากจะเห็นพระเยซู ระเยซูก็สอนเขาทั้งหลายอย่างถีท่วนดังในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสองข้อยี่สิบถึงข้อที่ห้าสิบพี่น้องครับเหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้นสองอย่างในวันจันครับระเยซูสอนพวกเขามากมายและประชาชนก็จับกลุ่มฟังพระเยซูตรัสถึงเรื่องชีวิตดิรันขณะที่พระองค์กำลังอธิบายว่าพระองค์มีปรงค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีเสียงหนึ่งจากสวรรค์ครับกล่าวว่า เราได้ให้เราได้ให้รับเกียรติแล้วและเราจะให้รับเกียรติอีกผู้คนที่นั้นได้ยินเสียงนั้นครับและนึกว่าเป็นเสียงฟ้าร้องที่น้องครับเห็นไหมครับว่าเวลาที่พระเจ้าตรัสนะครับคนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในน้ำมทไทยของพระเจ้าก็จะได้ยินเสียงเป็นอย่างอื่นครับก็คือเป็นเสียงฟ้าร้องแต่คนที่พระเจ้าต้องการให้ได้ยิน นี่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับเขาจะได้ยินเสียงนั้นแต่คนที่ไม่เชื่อเขาได้ยินเหมือนกันครับแต่ไม่เข้าใจและกลายเป็นเสียงอื่นเสียเราไม่สามารถจินตนาการได้นะครับว่าการที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไงแต่เรารู้ครับว่าพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตรัสบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินพระเยซูตรัสถึงการที่พระองค์จะทรงถูกตรึงทียังเขนนะครับซาวกก็ ไม่รู้พวกปริียิ่งไม่รู้ใหญ่เลยครับประชาชนก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครในที่นั้นเข้าใจถึงความสำคัญแห่งพระดำรัสของพระองค์เพี่ยสุตรัสครับในพระดมยอนบทที่สิบสองข้อยี่ข้อสามสิบสองเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่น ด, ดินโลกแล้วเราจะชักนำคนเป็นนั้นมากให้มาหาเราพระองค์ตรัสเช่นนั้นเพื่อสแดงว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไร ตรงนี้บอกว่าการถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้วหมายความว่าการถูกตึงพระเยซูครับมาเรากบันทึกว่าเมื่อตกเย็นพระเยซูกับสาวกก็ออกจากเยรูซาเล็มไปหาที่พักแรมบางครั้งกลุ่มคนกลุ่มนี้จะไปพักกับครอบครัวของลาสลักที่บ้านเบธานีบางครั้งก็เอาไว้พักนะที่กลางแจ้งบนภูเขามากอกเทศนี่คือวันจันทร์สุดท้ายของพระเยซูก่อนพระเยซูสิ้นพระชนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ ในการที่เราจะต้องขจัดเอาความอิจฉาออกจากชีวิตของเราโดยการรับการชำระการสลรภาพบาปและการกลับใจการชำระนั้นมาจากพระโลหของพระเยซูการสลรภาพการกลับใจนำไปถึงการให้อภัยที่เกิดจากพระเยซูเช่นเดียวกันในขณะที่ความอิจฉานั้นถูกหยิบยกออกไปเพียงครับสิ่งที่เราควรจะต้องเติมเต็มชีวิตของเราก็คือการรู้จักพระเยซูเหมือนกับ ชาวต่างชาติที่เดินเข้ามาหาสาวกของพระเยซูแล้วบอกกับสาวกว่าบอกกับฟิลิปว่าข้าพเจ้าใครจะเห็นพระเยซูอยากจะได้ยินอยากจะได้ฟังคําสอนของพระองค์ทีนี้ครับคนต่างชาติเป็นคนที่น่าสงสารมากนะครับเพราะว่าเขาอยู่ไกลาจากพระคุณของพระเจ้าแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้ไกลเลยครับเพราะว่าพระคุณของพระเจ้านั้นขยายออกไปถึงคนต่างชาติแล้วนี่คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากเราเองก็เป็นคนต่างชาติขอพระเจ้าอวยพอรอาเมน